มันอย่างนี้ละ่ะหืทำงานทำการใดมีแต่อีนั่นละ่ะอยู่ในนี้นะโอ้โหมันเป็นก็บอกว่าเป็นสิโหอกจะแตกนะรักผู้หญิงนี่ไม่ใช่เล่นเล่นเราเคยรักมาแล้วนี่โถถึงขนาดนี้ถึงขนาดจะกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับอยู่ที่ไหนหากทำอะไรก็ตาม งานการอะไรก็ตามทำไปบืนไปทำไปบืนไปเดินก็เดินไปแต่พูโทหญิงสาวนั้นมันไม่ได้พรากจากใจหนามันติดอยู่นั่นตลอดถึงว่ามันฝังลึกทุกมากที่สุดนะโหพลึกความหนักหน่วงทวงจิตใจความทุกข์ความลำบากทรมานที่สุดในเวลานั้น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 นี่สําคัญอันนี้นะทำแยกออกได้ขาดสะบั้นไปโดยเฉียวให้ถอยไม่ถอยจะแก้แม้รักจนน้ำตาไหลรักเต็มหัวใจเจ้าของใครๆก็ไม่รู้จนเจ้าของจะเป็นบ้าไม่ชารักธรรมดาไม่ลืมนะจนบัดนี้เพราะรักครั้งแรกด้วยเอาจริงๆ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 มันก็ดิ้นอยู่นี่เรือหมุนอยู่นี่มันไม่ออกถ้าลงสมอหลุดเรือมันก็พาไปทะเลหลวงน้นละ่ะนี่ไม่ให้มันไป